ส0สังฆเพทะสิกขาบทเพราะการไม่สละจนกระทั่งสงสวดสมณุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ทาสง์ให้แตกกันต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลจใจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ